193. สมาธายะปัญรสะกาธิว่าด้วยการเดาะกระถินด้วยการนำจีวรติดตัวหลีกไป 15. กรณีเป็นต้น 316. ภิกษุกรานกระถินแล้วนำจีวรหลีกไปละพระวินัยทรพึงขยายความให้พิสดารอย่างนี้ เหมือนวาระที่ว่าด้วยเรื่องการดอกกรถินกําหนดด้วยถือจีวรหลีกไปภิษุกรากรถินแล้วถือจีวรที่ทำค้างไว้หลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทําจีวรผืนนี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทําจีวร น, นั้นการดอกกรถินของพิกษุนั้น ชื่อว่ากำหนดด้วยธทรรมจีวรเสร็จละพระวินัยทรพึงขยายความให้พิสดารอย่างนี้เหมือนวาระที่ว่าด้วยเรื่องการเดาะกระถินกำหนดด้วยถือจีวรที่ทาค้างไวหลีกไป